อาจารย์จะมีอะไรให้พูดไหมคือผมชอบชับชวนให้คนมาฟางังธรรมอลสอนศัสนาพุณธสอนให้หลังคนทุกข์นี้คนบางคนเขาอาจจะยังไม่เคยปฏิบัติเขาเพิ่งเริ่มมาฟังเวลาเขามีความทุกข์เราจะคืออาจารย์คิดว่าคนที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลยแล้ว เ, เกิดความทุกข์เนี่ย ในแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยโลกคนจะเริ่มทำยังไงครับคือคนเราเวลามีความทุกข์ก็แก้กันไปตามวิธีที่รู้จักแก้ของตนไปซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ถูกหรือไม่ถูกแต่มันก็ช่วยดับทุกข์ได้ เป็นพักๆไปถ้าเขายังแก้ความทุกข์ของเขาได้อยู่เขาก็ยังอาจจะไม่สนใจที่จะไปหาวิธีแก้ความทุกข์จากผู้อื่นจากศาสนาแต่การแก้ความทุกข์ของเขาอาจจะเป็นการแก้ความทุกข์แบบชัว่วคราว ไม่ได้เป็นการแก้แบบทา้ามนและอาจจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาต่อไปก็ได้มันจึงอยู่ที่ผู้ที่แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของตนว่ารู้หรือไม่ว่า เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องคือสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปอย่างถาวรได้อันนี้คือคนเราทุกคนนี้มีความทุกข์กันทั้งนั้นแต่วิธีแก้ก็มักจะแก้แบบ แก่แบบปัดมันไปหรือว่ากรบมันไปเวลามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจนี่ถ้ามีเงินทองก็มักจะใช้เงินทองแก้บางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนก็ไปซื้อข้าวของไปช้อปปิง้งเดินตามศูนย์การค้าบางคนก็ไปดูมหรสศบบันเทิง อะไรต่างๆมันก็เป็นการเบนจิตใจให้ออกจากเรื่องที่ทําให้ตนเองทุกข์อยู่ได้ชั่วคราวเช็นกำลังมีปัญหากับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พ อ, อไปเที่ยวไปทําอะไรอย่างอื่นมันก็ไม่ได้คิดถึงปัญหานั้นความทุกข์หรือความไม่สบายใจ ก็หายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาทำงานกลับมาอยู่ที่เดิมมาเจอปัญหาเดิมอยู่ความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่ามันอาจจะเหตุการณ์เปลี่ยนไปทำให้เรื่องเดิมที่เคยทำให้มีปัญหามันไม่มีต่อไปอันนี้ เป็นการแก้แบบทางศาสนาพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าในโลกนี้มีวิธีแก้ปัญหาอยู่สามทางด้วยกับสองทางด้วยกันวิธีแก้ปัญหามีความทุกข์ก็คือให้ไปหาความสุขเพื่อจะได้หนีความทุกข์ได้เนีเฉลวาการมาสุขอะไรนิโยคเนี่ย ภาษาบาลีจำไม่ได้นี่คือวิธีแก่ของคนทั่วไปในโลกนี้เวลามีความทุกข์ใจไม่สบายใจถ้าไปหาความสุขได้ก็ไปกันเมื่อไปหาความสุขมันก็เลืมเรื่องความทุกข์ไปได้แล้วทุกครั้งที่มีความทุกข์ก็ไปหาความสุขกันแต่มันจะไปถึง ถึงไปเจอความทุกข์แบบที่การไปหาความสุขไม่สามารถที่จะดับมันได้ตอนนั้นก็ต้องทุกกับมันไปเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์นั้นนั้นเช่นถ้ายังมีเงินทองไปเที่ยวก็ยังหนีความทุกข์ได้แต่ถ้าเงินทองไม่มีแล้วทีนี้หนีไม่ได้ต้องอยู่กับความทุกข์ไปตอนนั้นก็บางคนก็แก้ด้วยการ หนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ต้องการเจอความทุกข์ต้องการที่จะหนีความทุกข์คิดว่าถ้าไม่ได้เจอมาแล้วความทุกข์ก็จะหายไป อ, อันนี้เป็นวิธีของคนทั่วไปในทางโลกอีกวิธีหนึ่งก็เป็นของพวกนัก บ, บวชลัทธิต่างๆการแก้ความทุกข์ก็ด้วยการทำให้มัน ให้วิ่งเข้าหาความทุกข์ที่หนักกว่าเดิมมันจะเลยทำให้รู้สึกว่าความทุกข์ที่มีอยู่นี้มันมันมันพอที่จะทนได้พวกที่เขาไปทรมานร่างกายต่างๆอันนี้ไปทำให้ไปเจอความทุกข์ที่หนักกว่าความทุกข์ที่มีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ไปแก้ความทุกข์อย่างทาวอ เพราะว่าพระบุทรเจ้าก็ได้ส่งทดลองทั้งสองทางนี้แล้วคือความทุกข์ที่คนเราหนีกันอยู่ก็มีอยู่สี่ห้าอย่างด้วยกันหนีจากความแก่หนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีจากความตายหนีจากการพัดพราคจากกันและการ หนีจากการที่จะต้องเจอสิ่งหรือบุคคลที่เราไม่ต้องการจะเจอเราก็จะใช้วิธีหนีกันหนีด้วยการทำอะไรต่างๆไปแต่จะหนียังไงมันก็หนีไม่พ้น เ, เหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นส่วนส่วนประกอบของชีวิตเป็นสัจธรรมของชีวิตไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมาเกิดแล้ว ต้องเจอความแก่กันทุกคนต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจอความตายต้องเจอการพัดพลาคจากกันต้องเจอกับการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่อยากจะเจอหรือคนที่เราไม่อยากจะพบพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีแรกคือการหาความสุข พ่อพระพุทธเจ้านี้ส่งให้พระพุทธเจ้าอยู่ในวังไม่ให้ไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวลูกจะทุกเวลาเห็นเห็นแล้วกลัวจะไปออกบวชเพื่อไปแก้ความทุกข์กด้วยการออกบวชแบบพวกที่นักบวชเขาแก้กันเพราะเมื่อไม่สามารถแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในวังได้ ก็มีอีกทางหนึ่งแก้ก็คือไปบวชพอของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาก็เลยห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประทับอยู่แล้วก็ห้ามไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกไปนอกวังแต่ความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติของคนเราทุกคน ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่พระองค์ก็เลยหนีออกไปเที่ยวข้างนอกวังพอออกไปนอกวังก็เห็นเนี่ยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายขึ้นมาก็รู้ว่าความสุขต่างๆที่พระองค์มีอยู่นั้นจะไม่สามารถที่จะช่วยพระองค์ได้ พอเวลาแก่ก็ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาแก่วเวลาเจ็บเวลาตายนี่ไม่สามารถหาความสุขอะไรได้แล้วก็เลยเห็นนัก บ, บวชก็ได้ยินว่าเขาเป็นพวกที่จะไปแก้ความทุกข์ต่างๆด้วยการออกบวช ด, ด้วยการไปทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ พระ อ, องค์ก็เลยเก็บเอาข้อมูลเหล่านี้มาค่าควรแล้ววันหนึ่งพอได้ทราบว่าพระมเหสีจะเอาคลอดลคอดลัดโฉลดออกมาพระ อ, องค์ก็ทรงอุทานว่าราหุลราหุลแปลว่าบว่วงคือการมีลูกนี้เป็นบ่วง ก, กับคล้องคอพ่อแม่ พอแม่ต้องเลี้ยงดูลูกรับผิดชอบรัก ล, ลูกห่วงลูกห่วงลูกพระเจ้าก็ทรงพิจารณาอยู่นานพอสมควรหลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาแล้วเห็นนักบวชแล้วก็มีความปรารถนาลึกๆว่าอยากจะไปบวชเพื่อที่จะไปลองวิธีแก้ความทุกข์ วิธีหนึ่งออก็เลยต้องตัดสินพระไทยในคืนนั้นว่าถ้าจะไปก็ต้องไปคืนนั้นถ้าไม่ไปก็ถูกบ่วงรัดคอไปไม่ไดออ้ก็เลยตัดสินพระไทยหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่บอกใครเพราะถ้าบอกก็จะถูกห้ามออไปไม่ไดออ้นี่คือประวัติของพระพุทธเจ้า อระพุทธเจ้าก็เลยไปบวชแล้วก็ไปอยู่แบบทุกข์ยากลําบากด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ฝึกสมาธิรักษาศีลของนักบวชไปก็ได้เห็นวิธีดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือเวลาที่นั่งสมาธิจิตสงบความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเกิดเรื่องแก่เจ็บตายเรื่องพันพัดภาคจาก การเรื่องการที่จะต้องพบกับคนนั้นคนนี้มันก็หายไปชั่วคราวมันก็เป็นเหมือนกับการหนีความจริงไปเข้าไปในสมาธิเหมือนกับสมัยที่อยู่ในวังก็หนีความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรให้มันเพลิดเพลิ น, นสบายใจ แต่พอมาเห็นพอมานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่สบายใจหรือเวลามาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะเจอมันก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันพวกฤาษีชื่อภยัยต่างๆก็ไปทดลองวิธีที่จะดับความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ พระพุทเจ้าว่าลองอดข้าวถึง49วันคิดว่าถ้าเราสู้กับความทุกข์ของทางร่างกายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กว่ามันมันก็ยังทุกข์อยู่ถึงแม้อดข้าวมาได้49วันแล้วรู้ว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายแต่ภายในใจนึกๆก็ยังกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความแก่อยู่เหมือนเดิม <c oughs> ในที่สุดพระองค์ก็เลยทรงมาทบทวนค้นคว้าหาทางใหม่ก็ส่งคนพบว่าทางที่น่าจะไปก็คือทางสู่การทําใจให้สงบแล้วหลังจากทําใจให้สงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวนักหนาในที่สุดพระองค์ก็ส่งได้ส่งคนพบความจริงว่าการที่ไปทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองแล้วความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ก็เกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเอพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูความเป็นมาเป็นไปของร่างกายก็ทรงเห็นว่ามันเป็นร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟมาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา ร่างกายจะเริ่มเติบโตในคันของพ่อแม่ของแม่ด้วยอาหารคือดินน้ำลมไฟที่แม่เอาเข้าไปในร่างกายทาน ด, ดินก็คืออาหารข้าวนี่เป็นพวกท่าน ด, ดินนะพวกทา่านพวกท่าน ด, ดินคือข้าวผักเนื้ออะไรต่างๆแล้วนี่ท่านลมก็คือลมหายใจที่หายใจเข้าไปในร่างกาย ธาตุน้ำก็คือน้ำต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายธาตุไฟก็คือความร้อนที่ได้จากแสงแดดเนี่ยมันก็เลยทำให้ธาตุทั้งสี่นี้สามารถที่จะผสมปรุงแต่งให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายขึ้นมาทำให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อ มีเอ็นมีกระดูกมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นหาดูว่าการที่เราไปเรียกร่างกายนี้ว่าเราเนี่ยเราอยู่ตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายเนี่ก็ดูที่ผมก็ไม่มีเราอยู่ที่ผมดูที่ขนก็ไม่มีเราดูที่เล็บดูที่ฟันดูที่หนังดูที่อาการอะไรต่างๆ ก็มีแต่อาการอย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีเราอยู่ในส่วนไหนของร่างกายเลยท่านก็ทรงเห็นว่าคำว่าเรานี่มันมาจากความคิดของเรานี่เองเราไปตู่ว่าร่างกายนี้เป็นเราแล้วเร า, เราก็เราก็ไปเชื่อว่ามันเป็นเราขึ้นมาแล้วเราก็ลักห่วงร่างกายเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแล้วนี่พวกเราทุกคนที่มาเกิด น, นี้เพราะเราอยากได้ร่างกายอยากได้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ในาการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยมา ครอบของร่างกายเวลาที่พ่อแม่สร้างร่างกายขึ้นมาเหล่านี้ก็คือดวงวิญญาณนี่ตอนที่ตอนที่ไม่มีร่างกายเราเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้มีผู้รู้ผู้คิดอยู่ในดวงวิญญาณนี้มีความอยากที่อยากจะมีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ในดวงวิญญาณนี้ ความอย่างนี้มันเลยเป็นตัวผลักดันให้ดวงวิญญาณนี้ไปหาตาหูจมูกลิ้นกายก็คือไปหาร่างกายพอที่ไหนมีการสร้างร่างกายขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็จะมีดวงวิญญาณนี้ไปเกาะติดทันทีพอมีการเกาะติดก็มีการปฏิสนธิมีการเจริญเตบ โ, โตของร่างกายขึ้นมา แล้วดวงวิญญาณที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ก็คลอดออกมาพร้อมๆกับร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นดวงวิญญาณเป็นเป็นผู้รู้ผู้คิดเนยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าหลงังจากที่ทำใจให้สงบแล้วใจนิ่งสงบ ปัสจากกิเลสตันหาปัสจากโมหะาอาวิชชาแนละ้วไม่มีความคิดเดิมที่คิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เอาใจที่เป็นกลางนี้มาศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นอะไรกันแน่เมื่อศึกษาจริงๆก็เห็นว่าร่างกายมันทำมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้าลมไฟ พอเวลาตายไปสมัยก่อนเขาก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเนี่ยไม่ได้เผาไม่ได้ฝังร่างกายมันก็จะเน่าเปื่อยน้ำที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะแยกออกจากร่างกายไปเหลืออยู่แต่ส่วนที่แข็งก็คือดินส่วนที่เป็นไฟก็ออกไปตั้งแต่ร่างกายหยุดหายใจ ร่างกายคนตายนี้จะเย็ยนกว่าร่างกายคนเป็นเพราะธาตุไฟไม่มีอยู่ในร่างกายลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นกลิ่นที่ระเหยออกมาทางร่างกายก็เป็นธาตุลมต่อไปธาตุลมก็หายไปหมดกลิ่นก็หายไปหมดน้ำก็หายไปหมดเหลืออยู่ก็เป็นร่างที่มีหนังมีอะไรที่แห้งกรอบ หอมหุ่มห่อกระดูกหรืออาจจะผุไปเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกต่อไปก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับว่าทำไมจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายในการนักหนาะก็เลยทรงเห็นว่าเพราะว่าเกิดจากอวิชชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความไปเห็นว่าจิต ผู้มาครอบของร่างกายนี้เป็นร่างกายแล้วก็ความอยากที่จะใช้ร่างกายนี้หาความสุขต่างๆจึงทาให้อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแต่พอไม่สามารถทาตามความอยากได้ก็ทุกข์เท่านั้นเองเพราะร่างกายเป็นธรรมชาติที่มีการเกิด แล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปที่ทุกข์เพราะว่าอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองที่ทุกข์นี้ไม่ใช่ร่างกายทุกข์ที่ทุกข์คือใจใจผู้มาครอบครองร่างกายผู้อยากให้ร่างกายนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เลยทุกข์กันแต่ถ้ามองเห็นความจริงว่าผู้ที่แก่ผู้ที่เจบ็บผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่ทุกข์ผู้ที่ทุกข์เคยใจทุกข์เพราะอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายและวิธีที่จะทําให้ไม่อยากกับร่างกายก็คือต้องอยาบไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ทางตาหูจมูกเล้นกายก็ต้องมาละกามะตัณหาด้วยความอยากที่จะหาความสุขเมื่อมีความสงบที่เกิดจากสมาธิก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามก็สามารถเลิกได้เพราะว่าเห็นว่าการเสพกามนี้มันเป็นทุกข์เพราะต้องมีร่างกาย พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะเสพกามไม่ได้ก็จะทุกขนะ์ก็เลยมาเสพความสงบดีกว่ามาเสพความสงบที่ได้จากสมาธิดีกว่านะก็เลิกเสพกามได้ตัดกามาตัณหาได้ตัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไดนะ้พอรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะ เหมือนกับร่างกายของคนอื่นนี่เรามักจะไม่ทุกคนที่เราไม่รู้จักนี่เขาจะแก่จะเจ็บจะตายนี่เรารู้สึกเฉยเฉยเห็นคนแก่ที่เราไม่รู้จักเราก็เฉยเฉยเห็นคนเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเราก็เฉยเฉยเห็นคนตายเราก็เฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ถือว่าเขาเป็นเรานั่นี่แต่ถ้าเราไปถือว่าเขาเป็นของเราม่อเราก็ทุกข์ขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นเราแต่เป็นของเรา เช่นร่างกายของพ่อเราแม่เราลูกเราสามีเราภรรยาเราพอเราไปถือว่าอะไรเป็นของเราขึ้นมามันก็จะทำให้เราทุกข์ทันทีพออะไรเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปนั่นเองเราไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายดงนนพอง ก, ก็เลยสรุปเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความหลง คือความไม่ร <mentor> <ide> ู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหรือไม่ยอมรับความจริงอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากเนี่ยพระองค์ทรงตัดจะรู้อริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย กิจากความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกิดจากความอยากให้ใช้ร่างกายนี้ไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นสมบัติหาลาภหายศหาสรรเสริญมาให้ความสุขกับใจนี่คือการค้นพบความจริงของพระพุทธเจ้าพอทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ พระองค์พระองค์ก็เลยไม่ทุกข์กับมันทรงเห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้าไม่ได้ทสงเห็นว่าถ้าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอกับสิ่งที่เราชอบและเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็ต้องพัดพากจากกันเจอสิ่งที่ชอบแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพากจากสิ่งที่ชอบไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องมีการพัดภาคเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี่คือการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าค้นคว้าหาสาเหตุว่าทำไมใจจึงต้องทุกข์กับร่างกายทำไมต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆก็เพราะความหลงความหลงที่คิดว่าเป็นร่างกายแล้วความหลงที่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่พบนี้ให้แต่ความสุขกับตน แต่ความจริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับใจได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนไปมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปะปนกันไปพระองค์ก็เลยทรงทำใจเฉยๆไม่หวังอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ต้องการให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอพระองค์ทําใจเฉยได้ณความอยากความโลภความโกรธความหลงได้ใจก็ไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปพระองค์ก็เลยส่งคนพบวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาก็ต้องแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญานี่เองที่พระองค์ได้ส่งใช้มามาบวชก็มารักษาศีลละการกระทำบา เพื่อที่จะได้อามาทําใจให้สงบได้ถ้ายังไปทําบาปอยู่ใจก็จะสงบยากก็ต้องละการกระทําบาปละกิจกรรมต่างๆละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือศีลของนักบวชเพื่อที่จะได้มีเวลามาฝึกฝนอบรม จ, จิตใจทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วใจจะเป็นกลางใจจะไม่มีอคติคือรักชังกลัวหลงก็จะสามารถสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนใจให้รู้ว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจเองเท่านั้นเองออพอหยุดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากได้ ไม่มีความอยากหนุนในใจความทุกข์ในใจที่เคยมีก็หายไปหมดก็เลยได้ทรงพบทางสู่การแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ก็คือมรรคแปดนี่หรือศีลสมาธิปัญญามรรคแปดกับศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่ามรรคแปดนี้ขยายความศีลนี่คืออะไร ศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวอสมาธิคืออะไรก็คือสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะความคิดความเห็นความคิดความเห็นเป็นองค์ประกอบของปัญญา ความคิดที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงคิดกับเรื่องความเป็นจริงก็เป็นปัญญาเช่นเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราอันนี้ก็เลยทรงเอาทางนี้มาสอนผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ ทีนี้สับคนเราสมัยนี้เป็นพวกที่ชอบแก้ความทุกข์แบบฟาสต์ฟู้ดเข้าใจไอยากกินอาหารจานด่วนพอหิวปุ๊บ ก, ก็อยากจะสั่งปั๊บให้มาได้เลยถ้าต้องไปนั่งรอให้เชฟปรุงอาหารจะกินโต๊ะจีนนี่บางทีต้องไปสั่งล่วงหน้าก่อนถึงจะกินได้มันไม่ทันใจเลยเลยไม่อยากจะแก้ปัญหาแบบ แบบถูกต้องแบบราบคาบก็เลยแก้ปัญหาแบบฟาสต์ฟู้ดกินฟาสต์ฟู้ดมากๆ ก, ก็เป็นเป็นโรคภายไข้เจ็บขึ้นหมาเป็นโรคอ้วนเห็นไหมเนี่ยสมัยเนี้เด็กเป็นโรคอ้วนกันเยอะเพราะไปกินฟาสต์ฟู้ดกันมีแต่แป้งมีแต่ไขมันไม่ค่อยมีผักไม่มีผลไม้ไม่มีของที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายกินของที่เป็น มันมันเยอะๆนนี้มันก็เลยทําให้เกิดโรคภัยเกิดเกิดไขมันอุดตันเกิดความดันเกิดอะไรเบาหวงเบาหวานขึ้นมาเดี๋ยวนี้สมัยนี้เด็กๆก็เป็นเบาหวานกันละเพราะกินอาหารแบบง่ายๆเร็วๆจานด่วนไงใจร้อนกว่าความโลคความอยากของคนมันทําให้ใจเราร้อน การแก้ปัญหาก็เหมือนกันคิดว่าการแก้ปัญหาทางศาสนาจะเป็นแบบอาหารจานด่วนที่ไหนได้กว่าจะมาศึกษากว่าจะมารู้กว่าจะมาปฏิบัตินี้ก็เห็นว่ามันยุ่งยากเสียเวลามากไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาแก้ปัญหาได้ก็เลยขอแก้ปัญหาแบบชั่วคราวไปก่อน แก้ปัญหาแบบไปหาความสุขหนีความทุกข์ไปก่อนดีกว่าจนกว่าจะหนีไม่ได้จนต่อก็ฆ่าตัวตายกันสมัยนี้น่ามีการออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายกันได้นะเวลาแก่เวลาเจ็บใช่มเพราะไม่รู้จะแก้อย่างไรแล้วจนปลอกแล้วก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาก็าไม่ใช่ละ พ่าแกม้มันตายตอนชาตินี้เดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหมก่กลับมาเกิดใหม่มันก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกถ้าไม่แก้แบบพระพุทธเจ้านี้มันจะไม่แก้แบบหมดจดหม ด, ห ม, ดมันคบบริบูรณ์แก้แบบรากคาบต้องแก้แบบพระพุทธเจ้าไปแก้ที่รากเงาของปัญหาก็คือตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจเรานี้เอง แล้วัญหาจะแก้ก็ต้องไปแก้ต้นหาของต้นเหตุของของัญหาอีกของความอยาอกอีกก็คือความหลงอีกความหลงคืออวิชชาโมหะที่หลงไปคิดว่าใจของเรามีความสุขได้ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วเราจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิด ความสุขของใจนี้อยู่ที่การทําใจให้สงบอยู่ที่การละความอยากต่างๆกํากจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้มันหมดสิ้นไปมันจึงเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะยากต่อผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วทันใจแม้แต่พระพุทธเจ้าเองในเบื้องต้นหลังจากที่ทรงตัดทะลุแล้วนี่ ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปสอนใครเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจหรือไม่เพราะให้แก้ปัญหาแบบนี้มันมันเป็นการแก้ที่ต้องใช้เวลามากและต้องตัดสิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับตนไปให้หมดเนี่ยตัดครอบครัวตัดอะไรให้ไปอยู่คนเดียวให้ไปทาใจให้สงบ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่คนทั่วๆไปจะเอาไปปฏิบัติได้พระองค์ก็เลยรู้สึกท้อแท้ไม่มีความคิดอยากจะเผยเผยแผ่คำสอนเนี่ยพระประเจกกับพะพุทธเจ้าที่มีพระประเจกกับพะพุทธเจ้าก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสอนไปก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครปฏิบัติตามท่านก็เลยไม่สอนดีกยวกา พระพุทธเจ้ามีสองแบบแบบที่สอนและแบบที่ไม่สอนถ้าไม่สอนก็เรียกว่าพระประเจกกะพุทธเจ้าตัดสรู้เฉพาะตนไม่เอาความรู้นี้ไปสอนคนอื่นเพราะทรงเห็นว่าไม่มีใครสนใจก็เลยไม่สอนดีกว่าก็เป็นพระประเจกกะไป ถ้าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าก็ไม่มีใครรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้เพราะไม่ได้ประกาศคําสอนก็เลยไม่มีใครรู้ตอนต้นพระพุทธเจ้าของเราก็จะคิดว่าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าคือไม่สอนนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเท้ามาหาพรหมได้มาขออาราธนาให้มีความเมตตาต่อสัตว์โลกที่ยังป่าถนา ความหลุดพ้นจากความทุกข์อยู่ทรงทรงขอร้องให้พิจารณาแยกแยะคนดูว่าทุกคนไม่เหมือนกันคนที่อยากจะแก้ปัญหาจริงๆก็มีคนที่ไม่อยากแก้ก็มีพอหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยส่งไปพิจารณาคนต่างๆดูก็เลยสามารถแยกคนได้สี่กลุ่มด้วยกัน ที่เรียกว่าบวชสี่เหล่าคนที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจริงๆก็มีคือพวกนักบวชทั้งหลายนี่เองพวกที่ลองลงมาก็คือพวกที่เชื่อแต่ยังไม่ได้บวชแต่ยังเชื่อเรื่องของอการแก้ปัญหาด้ดวยทางทางปฏิบัติอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่มีกำลังพอที่จะบวชได้ พระ อ, องค์ก็เลยส่งบุ่งไปหาพวกนี้ส่วนพวกที่ไม่สนใจที่ที่จะแก้ปัญหาแบบนี้พระ อ, องค์ก็ไม่ส่งไปไปแก้ไปสอนพวกที่จะแก้ปัญหาด้วยการเที่ยวด้วยการกินด้วยการดืม่มด้วยการเสพอบายมุกอะไรต่างๆเหล่านี้พระ อ, องค์ก็รู้ว่าสอนไม่ได้ก็เป็นเทวว่าเป็นบัวบัวใต้น้ําบัวที่อยู่กับโทนกับตม บวชที่ไม่มีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้คือพวกที่ไม่สนใจศึกษาคําสั่งสอนของศาสนานั่นเองพวกที่กลัวศาสน า, ศาหรือพวกที่เป็นโรคแพ้ศาสนาเพราะพวกนี้เขาคิดว่าคําสั่งสอนของศาสนานี้งมงายเออพราะองร์ก็เลยส่งเลือกกลุ่มที่สอนได้ก็มีพวกนักบวชที่ที่ทมีศีลมีสมาธิแล้วเป็นกลุ่มแรก พวกนี้เขามีภาชนะที่จะลองรับคำสอนและปฏิบัติได้ทันทีพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วพอแสดงปัญญาเขาก็สามารถที่จะตัดกิเลสตัดความโลภตัดความอยากต่างๆได้ทันทีบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทันทีในขณะที่ฟังธรมเลย ครั้งยุคแรกๆของการสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะไปสอนกับพวกนักบวชตามสำนักต่างๆแล้วพอแสดงธรรมเสร็จก็บรรลุกันทั้งสำนักเลยมีสำนักหนึ่งมีพระมีนักบวชอยู่ห้าร้อยรูปพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังให้ละความอยากเท่านั้นแสดงอริยสัจสี่แสดงมรรคแดเขาก็บรรลุกันได้เลย ห้าร้อยลูพร้อมๆกันหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจะสอนใครเราก็ต้องดูว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนหรือเปล่าเหมนอาจารย์สอนมาหาหลัยนี่อาจารย์ไปกว้านเด็กอนุบาลมาเรียนไหมใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องหาพวกที่อยากจะเอ็นเข้ามาหาหลัยถึงจะสอนใช่ไหม จะไปเห็นใครทุกข์ก็ไปดึงเข้ามาให้เข้ามาปฏิบัตินี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจิตเขาไม่พร้อมที่จะรับกับคําสอนเราก็ต้องดูคนจะช่วยใครที่ให้พ้นทุกข์นี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเขาพร้อมที่จะรับคําสอนได้หรือไม่ต้องคุยกับเขาดูก่อนดูความคิดเห็นของเขาว่าเขาคิดเห็นอย่างไรเขาคิดเห็นกับวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าคุยกันแล้วถ้ารู้ว่าเขาไม่มาทางนี้ก็อย่าไปคุยให้เสียเวลาดีกว่าเพราะเหนื่อยเปล่าๆแต่ถ้าคุยกับคนบางคนปั๊บเขาแสดงความสนใจขึ้นมาก็ให้เอาหนังสือให้เขาไปอ่านก่อนอไปศึกษาวิธี แก้ความทุกข์ว่าพระพุทธเจ้าสอนได้แก้อย่างไรก่อนพอเขาอ่านแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจส่วนไหนถ้าเราพอที่จะอธิบายให้เขาฟังได้เราก็อธิบายให้เขาฟังไปถ้าเราไม่สามารถเราก็ต้องพาเขาไปหาคนที่สามารถอธิบายให้เขาฟังได้ก็อาจจะต้องพาไปหาครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ เข้าถึงขั้นนั้นเราก็ต้องให้คนอื่นที่เขาเข้าถึงขั้นนั้นช่วยสอนให้อีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องการสอนคนเนี่ยมันให้ดูดพ้นจากความทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่มีความความปรารถนาที่ดีอแต่มันต้องดูตามหลักของเหตุผลว่าผู้ที่จะรับคำสอนนี้เขามีศักยภาพที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือเปล่า เขายินดีที่จะฟังหรือเปล่าเขายินดีที่จะศึกษาหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีความยินดีสอนยังไงเขาก็ไม่สนใจพูดไปใจเขาวัดลอยคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเขาอาจจะฟังเพราะเกงใจเรารู้จักกันหรือเกงใจในความปรารถนาดีของเราก็ได้แต่ใจเขาไม่ยินดีเขาไม่ฟังหรอกใจเนี่นั่งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปขณะที่เราพูดไปนะ หน้าตาเขาก็ก้มหน้าพยักหน้าบอกเข้าใจเข้าใจไปเท่านั้นเองแต่พอเราพูดเสร็จแล้วเขาก็ลืมไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติตามแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของการที่เราจะไปเอาธรรมะให้กับใครนี้เราต้องดูก่อนว่าคนที่เราจะให้ธรรมะกับเขานี้เขายินดีหรือไม่เขาสนใจหรือไม่ หนังสือธรรมะที่นี่เราจึงไม่ให้เอาไปแจกไม่ให้ไม่ให้มีคนมาเดินแล้วก็เอาไปแจกคนที่มาหนะังสือธรรมะแล้วก็าวางไว้อย่างนั้นนะถ้าใครอยากอ่านก็หยิบไปอ่านถ้าใครไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องหยิบไปอ่านเพราะถ้าให้คนที่ก็ไม่อ่านเอาไปก็เสียของเปล่าเอาไปเขาก็ไปวางไว้เฉยๆซูเอาวางไว้สำหรับคนที่อยากอ่านคนที่อยากอ่านเดี๋ยวเขาเดินมาหยิบเอง คนที่อยากฟังเขามาหยิบเองคนที่เขายังไม่ว่างไม่มีเวลาเขาก็ไม่หยิบไปอ่านมันก็ไม่เสียของแล้วก็ไม่ทำให้คนรู้สึกอึดอัดด้วยเพราะบางทีเขาไม่อยากจะรับของที่ดีแต่เขายังไม่พร้อมที่จะรับแต่บางทีต้องรับเพราะว่าเกรงใจปฏิเสธไม่ได้กาในในศาสนาพุทธเราจึงมีธรรมเนียมว่า การจะแสดงทำให้กับใครนี้ต้องมีการอาราธนาก่อนต้องมีผู้มาขอขอฟังก่อนถึงจะแสดงได้ตามอยู่ดีๆไปโทรไปหาเขาไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ขอบบอกเขาว่าขอสอนธรรมะให้ฟังหน่อยเขาเดี๋ยวก็จะไล่เราออกจากบ้านใช่ไหมเพราะว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่สนใจ แต่ถ้าเขาสนใจอยู่ที่ไหนเขาก็ไปหาเองธรรมะอยู่ลึกแค่ไหนอยู่กายที่ไหนแค่ไหนก็เขาก็ไปกันสมัยก่อนเราไปอยู่ดอนอยู่วัดป่าไกลคนที่ต้องการพ้นความทุกข์อยู่กรุงเทพก็ฟันฝ่าไปคนที่ไกลาตายก็มีคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้ว เหลือหกเดือนเขาก็เลยคิดว่าเพื่อหกเดือนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไปศึกษาธรรมะดีกว่าไปช่วยลดความทุกข์ช่วยกำจัดความทุกข์ที่อยู่ภายในใจเขาก็ไปดิ้นหาครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพที่เชื่อว่าเป็นคนที่จะสอนให้เขาดุดพน้นหรือทำให้ความทุกข์ของเขาลดน้อยถอยลงไปได้เขาก็ฟันฝ่าไปเองเนะ นี่คือเรื่องของการที่จะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือไม่ดูว่าเขามีศักยภาพที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็พูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆนะแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าความอยากของเรานี่แหะที่ทำให้เราไม่สบายใจ เราอยากจะช่วยเขาแต่เขาไม่สามารถให้เราช่วยเขาได้ถ้าเราอยากจะให้เขาสนใจทางธรรมะก็มีทางเดียวถ้าเราพูดแล้วเขาไม่สนใจก็าอาจจะต้องพาให้เขาไปหาไปฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจจะมีบารมีที่จะพูดแล้วทำให้เกิดศรัทธา กับเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของของคนคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเขาสนใจเขาก็จะเข้าหาทำได้ง่ายถ้าเขาไม่สนใจก็ยากออนี่ก็ สิ่งที่เราควรจะสนใจมากกว่าคนอื่นก็คือเราดีกว่าคือเรายังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่สู้เรามาแก้ความทุกข์ของเราก่อนดีกว่าดีกว่าที่เราจะไปคอยช่วยคนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าการสังขารร่างกายของพวกเรานี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีตาย จงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดให้เรามั่นคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราแก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันแล้วประโยชน์คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรานี้เราทำได้เต็มที่หรือยังถ้าเรายังทำไม่ได้เต็มที่นี่มาทำประโยชน์ของเราก่อนมาแก้ปัญหามาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้มันหมดไปก่อน ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นได้ต้องช่วยตัวเราก่อนอันนี้หลักของเทราวาณนี่ต่างกับหลักของมหายาะมหายานนี้เขาจะให้ไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วค่อยมาช่วยตนเองแต่เป็นการช่วยระดับตำระดับทานช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากทางด้านร่างกายมากกว่า ทางด้านจิตใจช่วยไม่ได้เพราะตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้โพธิสัตว์นี่ยังมีความทุกข์ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่รู้จักวิธีดับทุกข์จะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยแค่ทานบา ร, รมีด้วยการสร้างทานบา ร, รมีช่วยด้วยการช่วยเหลือทางทางปัจจัยสี่ใครเดือดร้อนไม่มีข้าวกินหาข้าวให้เองกิน ไม่มีเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าให้เขาไม่มียาหายาให้เขาอันนี้เป็นการสร้างทานบา ร, รมีเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของทางมหายานิที่ว่าต้องช่วยคนอื่นก่อนถึงจะมาช่วยตนเองได้ก็จริงก็ช่วยการสร้างทานบา ร, รมีนี้ก็เป็นการช่วยตนเองนั่นแหละถ้ายังมีความตนิยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ ก็ต้องฝึกสร้างทานบารมีขึ้นมาก่อนต้องลดละการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเพราะการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตอนนี้เป็นการกระทาตามกิเลสตัณหาความโลภความอยากที่จะทาให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นเกิดความทุกข์มากขึ้นนั่นเองก็เลยต้องสอนให้ทำทานก่อนแต่ไม่ได้ให้ทำเพียงแต่ทานอย่างเดียว นอกจากทานแล้วก็ให้รักษาศีลต่อไปศีลห้าแล้วก็ให้มาถือเนคขมมะเจะเนคขมมะก็ให้คือมาถือศีลแปดให้ละการเสพการละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วก็มาสร้างอุเบกขาคือการฝึกสมาธิทําใจให้สงบอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการ การเจริญจิตใจตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปจนถึงระดับสูงจากปุถุชนนี้ต้องทําบุญทําทานก่อนแล้วก็มารักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปฝึกสมาธิได้ไปทําใจให้สงบได้พอใจสงบใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาก็สอนใจให้เห็นสัจธรรมเห็นอรยะสัจสีเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้ ก็จะละตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไดออ้อันนี้ต้องปฏิบัติไปเป็นขั้นๆไปถ้าเรายังเกี่ยวข้องกับเรื่องการระดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของไปซื้อความสุขก็เอาเงินทองนี้ไปทําบุญทําทานแทน เพื่อที่เราจะได้หยุดการแก้ปัญหาที่ไม่มีวันจบถ้าเราใช้เงินทองไปดับความทุกข์ดับเท่าไรมันก็ไม่ดับดับเดียวเดียวเดียวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะทำให้เราต้องคอยดิ้นไปหาเงิ น, ห า, งนหาทองอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดการหาทองหาเงินหาทองก็จะทำให้เรารักษาศิ่งห้าไม่ได้ ก็อยากจะได้เงินง่ายๆมากๆเร็วๆมันก็รู้สึกว่าถ้าไม่โกหกมันไม่โกงมันก็ทําไม่ได้ดงั้นเราต้องหยุดการใช้เงินหยุดหาเงินมาแก้ปัญหาแล้วก็พอเราหยุดได้ถ้าเราไม่ใช้เงินทองไปแก้ปัญหาเราก็ไม่ต้องไปหาเงินทองหาเท่าที่จําเป็นหาแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องหามาก ก็จะทาให้เรารักษาศีนหน้าได้อย่างง่ายได้เราก็จะทําทให้เราเวลามาฝึกรักษาสีแปดต่อไปได้เพราะเรามีวันว่างไม่ต้องไปทํางานเยอะเพราเราไม่ต้องทำหาเงินมากเราก็จะมีเวลาไปฝึกถือสีแปดฝึกสมาธิอยู่ที่วัดได้อพอมีสมาธิเราก็จะสามารถศึกษาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราและการจะหยุดความอยากก็คือก็ต้องใช้ความความรู้อันนี้นีเองรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาของเราได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำก่อนต้องรู้จักวิธีดับความทุกข์ของเราให้ได้ก่อน เมื่อเรารู้แล้วทีนี้เราก็ไปสอนคนอื่นได้พระพุทธเจ้าดึงบอกว่าให้ยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมต้องทำประโยชน์ของตนให้ได้ก่อนคือทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้ได้ก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วทีนี้จะไปช่วยใครมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นมัวแต่ไปคอยช่วยคนอื่นเราก็จะจมอยู่นั้นนะเราก็ยังจะจมอยู่ในกองทุกต่อไปเพราะเราไม่ได้มาแก้ปัญหาของเรามัวแต่ไปคอยช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาอยู่เรื่อย แล้วก็แก้ไม่ถูกอีกแล้วเพราะเมื่อเราไม่สามารถแก้ปัญหาของเราให้ได้แล้วเราจะไปสอนคนอื่นให้แก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรเราก็ต้องแก้ปัญหาของเราก่อนคือเราต้องดับความทุกข์กำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้ได้ก่อนเมื่อกำจัดได้แล้วเราก็จะได้รู้วิธีที่ถูกต้องว่ากำจัดอย่างไรพอเรารู้แล้วทีนี้ใครมีความทุกข์มาหาเราเราก็บอกเขาไปสอนเขาไป สานแบบตรงประเด็นเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดให้มันแบบออมทุ่งออมอะไรบางคนไปหาก็แล้วแทนที่เขาจะบอกให้เรามาหยุดความอยากก็บอกให้ไปทานู่นทานี่เห็นไ้มไปหาหมอดูบางทีเขาก็บอกว่าให้ไปทำทาบูชานู่นบูชานี่ทาอะไรบางคนก็บอกให้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรอันนี้เป็นพวกที่ไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์อย่างถูกต้องก็เลยสอนวิธีต่างๆไปแล้วพอไปทำใหม่ๆก็คิดว่าโอ๊ยความทุกข์หายไปแต่พอดูไปนานๆมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนอะไรมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนทรงผมแล้วมันก็เหมือนเดิมไปบูชาลาหุนด้วยของ ของดำแปดอย่างมันก็เหมือนเดิมมันไม่ใช่วิธีแกต่ตอบได้ถ้าไม่หยุดตัณหาความอยากภายในใจมันก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เพราะต้นเหตุของความทุกข์ใจมันเกิดจากตัณหานี่เองตัณหาคือความอยากสามประการ ความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เท่านั้นทุกครั้งถ้าเกิดความอยากสามตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งใจจะไม่สบายทันทีอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี้ก็ทุกข์ละต้องอยู่บ้านก็รู้สึกเหงาหงุดหงิด ว, ว้าวเวยพอได้ไปเที่ยวนี้เหมือนเป็นนกบินไหมออกจากกรงะแต่พอกลับบ้านก็เดียวเหมือนหากิน พอต้องกลับเข้าบ้านนี่อนี่ก็เพราะความอยากพอพอได้ทําตามความอยากแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเดี๋ยวเดียวพอกลับมาความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็ทําให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เราต้องมาแก้ที่นี้ตัวนี้อริยสัจสี่ทุกเกิดจากความอยากวเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาให้ไปไปไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้ายังไม่มีศีลก็ไปสร้างศีลขึ้นมาถ้ายังไม่มีสมาธิก็สร้างสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็สร้างปัญญาขึ้นมาพอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วทีนี้ก็เกิดความอยากปบก็หยุดมันได้ทันทีมีกำลังมีเหตุมีผลที่จะหยุดมัน แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปหมดจะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปเคยทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปจะไม่ทุกข์กับมันเพราะรู้ทันแะวว่าไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นเองไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้พอเปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์ มาเปลี่ยนเราดีกว่าเปลี่ยนที่ใจเราเปลี่ยนความอยากของเราเราอยากไปอยากไปเปลี่ยนเขาปล่อยเขาเขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี่คือเรื่องของการที่จะไปสอนใครก่อนนี่เราต้องสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนเราต้องรู้จักวิธี กำจัดความทุกข์ของเราให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นเหมือนก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นให้ขับรถได้นี้เราต้องขับรถให้ได้อก่อนถ้าเรายังขับรถไม่เป็นไปสอนคนอื่นเดี๋ยวก็รถก็ชนกันคว่ากันนี่คือเรื่องของการที่เราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะให้เขาได้รู้จักวิธีดับความทุกข์เราก็ต้องดูก่อน ว่าเราตัวเราเองดับความทุกข์ได้หรือยังถ้ายัางเราอย่าเพิ่งไปสนใจช่วยเหลือคนอื่นเพราะเราจะทําให้เราเสียเวลามีค่าเพราะชีวิตของเรานี้เวลามันน้อยลงไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่รีบมาแก้ปัญหาของเราก่อนมัวแต่ไปแก้ปัญหาคนคนอื่นปัญหาของเราก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเราก็จะมีปัญหาติดกับเราต่อไปในภพหน้าชาติน้า แต่ถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้จบหมดแล้วเราจะไม่มีการไปเกิดใหม่อีกต่อไปไม่มีการไปมีปัญหาใหม่อีกต่อไปเพราะเราจะไม่ไปเกิดเมื่อไม่ไปเกิดก็จะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีการพัดภาคจากกันก็ขอให้ท่านจงลงเอาไปพิจารณาดูการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวหาปุราปริลปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ฉันตูปะนาระโสยะามณีโจติอราโสยะาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวิณัสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีคาโกภวะ อะพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เขามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จากเฟซบุ o กสามร้อยหกสิบสามยูทสอง้อยสาสิบวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้าผู้รับฟังบนเข่า6หกสิบสองรวมทั้งสิ้นหกร้อยแปดสิบท่านค่ะคำถามจากคาถามจากคุณวันรุดีกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทำการุญญาฆาตเป็นบาปไหมคะอะไรการุญญาฆาตเนี่ย บาปฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยความเมตตาหรือฆ่าด้วยความโกรธก็เป็นการฆ่าเหมือนกันไม่ควรฆ่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวเราก็บาปทั้งนั้นค่ะคำถามจากโกพงศ์กราบเรียนถามว่าไปนั่งสมาธิกับหมู่คณะที่จัดอบรมรู้สึกว่าใจสงบดีเจ้าค่ะแต่มานั่งคนเดียวจิตกลับฟุ้งซ่านไม่ยอมหยุดคิด ความไม่ยอมหยุดคิดคุมความกลัวผีไม่ได้แต่จริงๆอยากอยู่คนเดียวแต่กลัวจะทําอย่างไรเจ้าคะก็ไปฝึกกับคนอื่นก่อนให้จิตมันมีกําลังมากขึ้นพอจิตมีกําลังมากขึ้นแล้วต่อไปก็นั่งคนเดียวได้ตอนนี้จิตเรายังมีกําลังน้อยต้องอาศัยคนอื่นช่วยให้กําลังแต่ต่อไปถ้าเรารู้ว่าเรามีกําลังมากพอเราก็ลองไปนั่งคนเดียวเดื จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัส ก, การครับพระอาจารย์ผมขอถามว่าผมเห็นพระบางรูปท่านดูเลขดูเบอร์ทำนายทักให้ญาติโยมแบบนี้ถูกต้องไหมครับและผมเห็นญาติโยมเข้ามาเป็นประจำก็ามาดูดวงกับพระรูปนี้ผมควรจะทำอย่างไรดีครับอคือมันไม่ใช่หน้าที่ของพระนะ พระนี่ท่านมีหน้าที่ศึกษาเพราะทำคําสอนศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้บรรลุธรมขั้นต่างๆพอบรรลุทำแล้วก็เอาธรรมะมาสั่งสอนต่อนี่คือหน้าที่ของพระเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและเผยแผ่แล้วเราก็ถ้าเห็นว่าท่านไม่ทําถูกต้องเราก็อยากเข้าไปหาท่านเพราะการเข้าหาพระก็คือการเข้าหาครูอาจารย์เท่านั้นเอง เราต้องการไปเพื่อรับความรู้จากท่านแต่ความรู้ที่ท่านให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเดรลชานวิชาะพัตวัจตาเปรียบวิชาเหล่านี้เหมือนเป็นวิชาของสัตว์เดรลชานไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจมีแต่ทําให้ต้องติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆฉะนั้นก็อย่าไปเข้าหาพระที่ไม่สอนธรรมะ ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่สอนธรรมะเพราะพระมีหน้าที่สอนธรรมะแต่ก่อนจะสอนธรรมะท่านก็ต้องศึกษาปฏิบัติและบรรลุก่อนท่านถึงจะสอนได้อย่างถูกต้องคําถามจากคุณจินขอบกราบนรรมสการครับเทวดาท่านไม่มีร่างกายแต่ยังมีคู่รักและปรารถนาในการครองคู่ ท่านพิจารณาความจริงอย่างไรจรึงข้ามตันหานั้นได้ครับหมายถึงว่ายยังไงใครห้ามตันหาท่านพิจารณาอย่างไรจรึงจะข้ามตันหานั้นได้ครับเราก็ต้องพิจารณาสุภาพิจารณาอนิจังมีคู่กันเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันหรือแยกทางกันไปหรือต้องอยู่พัดภาคจากกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งถ้าเห็นว่ามันจะต้องเป็นทุกข์ต่อไปก็ ช่วยทุกอยู่กับอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าทุกกับเวลาที่ต้องพัดพากจากกันเพราะมันจะทุกข์มากกว่ากันคําถามจากคุณปราโมทกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเคยได้ยินประโยคที่ว่าฝึกการตายก่อนตายความหมายคืออย่างไรครับก็เหมือนกับการฝึกว่ายน้ําในสระว่ายน้ําก่อนที่เราจะไป ลอยคอกลางทะเลถ้าเราไม่ฝึกว่ายน้ําให้เป็นก่อนเดี๋ยวเวลาไปนั่งเรือนล้วเรือล่มกลางทะเลไม่มีชูชีพเราก็จะจมน้ําตายเห็นก็ต้องหัดว่ายน้ําก่อนก่อนถึงก่อนที่จะต้องไปไว่ายจริงเราก็ต้องหัดตายก่อนก่อนที่จะตายจริงนั่นเองซ้อมตายวิธีตายเป็นไงก็นอนเฉยเฉยนั่นเองล้วก็ซ้อมหัดนอนเฉยเฉยแล้วก็ ยอมรับความตายว่าอ่ามันเวลามันตายเราก็ต้องทำใจให้เฉยเฉยเนันเองถ้าเราทำใจเฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันคคําถามจากคุณวาสนา พระทำไร่ไถนาแบบนี้ถูกไหมคะหรือเห็นท่านบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าท่านทำไม่ถูกจะได้ไม่ต้องยุ่งกับท่านอ๋อไม่ถูกเหรอพระไม่มีอาชีพอะไรทั้งนั้นอาชีพของพระก็คือนีแหละศึกษาปฏิบัติบรรลุเผยแผ่ธรรมคำถามจากคุณวสันต์กราบเรียนถามพระอาจารย์ ปัดชิมโอวาปที่ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสังขารในที่นี้หมายถึงร่างกายใช่ไหมครับไม่ได้หมายความถึงสังขารความปรุงแต่งก็ได้ทั้งสองอย่างเพราะคําว่าความหมายของสังขาร น, นี้มันแปลได้สองอย่าง สังขารความคิดปรุงแต่งหรือสังขารร่างกายมันก็เป็นสังขารเหมือนกันก็เป็นสองของทั้งสองสิ่งที่เราก็ควรที่จะพิจารณาเหมือนกันร่างกายเราก็ต้องตายสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็เกิดดับเกิดดับเราก็ไม่ควรที่ไปยึดติดกับมัน เพราะว่าเวลามันไปยึดติดมันทําให้เราหลงได้ถ้าเราไปยึดติดกับความคิดที่ผิดมันก็จะทําให้เราทุกข์เราต้องรู้ทันสังขารถ้าสังขารความคิดเราต้องรู้ทันว่ามันคิดถูกหรือคิดผิดต้องให้มันคิดเป็นทางสัมมาทิฏฐิอย่าให้มันคิดไปในทางอมิจฉาทิฏฐิถ้ามันคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็ใช้ได้ ถ้ามันคิดว่ายัางเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาอยู่ก็อย่าไปเชื่อมันอย่าไปตามมันคำถามเจ้คุณประกายจิตกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูก<ม>เป็นกรรมอะไรเจ้าคะเป็นกรรมไม่มีลูกเลยจะเป็นกรรมอะไรเลยคำถามเจ้คุณไพฑูรย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ สูตรการสร้างรั์เจ็ดประการรัพ์คือศรัทธาศีลฮิริโอต ป, ปะสุตตจาคะและปัญญานี่คือรัพ์ภายในใช่ไหมครับพอไม่เคยได้ยินมาก่อนครับใช่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทำได้หลายลักษณะเลยกันแต่มันก็คล้ายคลึงกันอันเดียวกันจะเรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้ แต่ก่อนที่เราจะสร้างศีลสมาธิปัญญาได้เราก็ต้องมีศรัทธาก่อนใช่ไหม น, นั้นบางทีท่านก็แสดงครบบางทีท่านก็แสดงขาดแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วาระศีล ส, สมาธิปัญญาบา ร, รมีสิบนี่มันก็เป็นทรัพย์ภายในยทั้งนั้นแหะถ้าเราไปศึกษาไปแกะดูมันก็คล้ายๆกัน คำถามจากคุณสมชายกราบธมส ก, การครับคือลูกสาวได้เสียชีวิตไปถ้าจิตผูกพันกันเขาจะกลับมาเกิดเป็นลูกเราได้อีกไหมครับไม่แน่หรอกเพราะว่ามันเรื่องของกรรมนี้ไม่มีใครที่จะไปสั่งได้มันต้องเป็นไปตามวาระตามโอกาสตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีเหตุมีโอกาสจะให้มาเจอกันมันก็เจอกันได้ ถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เจอกันเออาฉะั้นเราจะไปสั่งไปออกแบบไม่ได้เขียนแผนที่ไว้ว่าชาติหน้ามาเจอกันที่วัดยานอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มันกําหนดอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็ไม่น่าถ้าเกิดมันมีเหตุมีปัจจัยมันอาจจะมาเจอที่วัดยานกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เออ เมือกับเวลาที่เราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงแล้วรถข้างหลังแล้วรถข้างซ้ายเรารถข้างขวาเราขับเป็นรถอะไรแล้วเราพรุ่งนี้ขับไปที่นั่นเวลาเดิมดูดูว่าจะเจอรถคันเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกแม้จะนัดกันบางทีมันยังไม่สามารถที่จะไปบังคับให้มันไปเจอกันที่ตรงจุดนั้นในเวลาเดียวกันได้เพราะฉะนั้น เรื่องบางอย่างนี่เราอย่าไป เ, าเราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศเนี่ยไม่มีใครที่จะไปกำหนดมันได้แต่เรากำหนดได้ในรูปกว้างๆ เ, เช่นเราอยากจะมีดินฟ้าอากาศ ด, ดีเราก็รักษามนรักษาธรรมชาติให้มันดีมันก็จะธรรมชาติมันก็จะเป็นปกติ ถ้าเราไปทำให้ธรรมชาติมันผิดปกติมันก็เลยเกิดอาการปั่ปนปวดอะไรต่างๆขึ้นมาอ น, นี้ต้องไปดูต้องไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยถึงจะทำให้เกิดผลที่เราต้องการได้แต่ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถไปควบคุมไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้ มาสร้างเหตุปัจจัยทางใจดีกว่าอันนี้ควบคุมได้เหตุปัจจัยทางใจก็คืออยากกลับมาเกิดเลยดีที่สุดถึงแั้จะกลับมาเกิดมาเจอกันเดี๋ยวมันก็ต้องพัดพากจากกันอีกเจอกันไม่กี่ปีอยู่กันไม่เกินเจ็ดสิบปีก็ตายจากกันก็มาล่องหม่มล้องไห้ายกันอีกเหมือนเดิมกลับมากลับมายืนยืนอยู่ที่จุดเดิมคือความอยากที่จะกลับมาเจอกันอีก่ะ สู้อย่ามาเกิดดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีมีการมาเจอกันอีกจะได้ไม่ต้องมีการพัดภาค ก, กันอีกต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนรมาสการครับพระอาจารย์ผู้ที่ครองเรือนสามารถบรรลุโสดาบันไดไหมครับ ไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ยถ้าปฏิบัติรมของพระโสดาบันได้ก็บรรลุได้มันไม่อยู่ที่ว่าเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นพระเป็นพระแล้วไม่บรรลุ ก, ก็มีทั้งเยอะแยะเป็นผู้ครองเรือนที่ไม่ได้เป็นพระที่บรรลุ ก, ก็มีเยอะแยะให้มันอยู่ที่ว่าเราเราสร้างศีลสมาธิปัญญาในระดับของพระโสดาบันได้หรือเปล่าศีล ส, สมาธิก็เหมือนกันทุกระดับต่างกันที่ปัญญา ปัญญาของระดับโสดาบันก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าไม่มีเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะปล่อยวางร่างกายคือขันห้าได้มันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้คําถามจะคุณชีวิตดีดีดกราบนมัสการเจ้าค่ะ ดิฉันมีลูกชายเขาติดยาดิฉันก็บอกเขาถึงโทษของยาเสพติดแต่เขาไม่ฟังดิฉันเลยปล่อยวางผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะที่ไม่สนใจเขาก็เราทําหน้าที่ของเราแล้วไม่ใช่เลยเราก็มีหน้าที่เตือนมีหน้าที่บอกมีหน้าที่ห้ามแล้วแต่ถ้าจะไปทําจะทํำยังไงได้เหมือนเด็กเราอย่าไปเล่นกับไฟพอเราเผลอมันก็ไปเล่นน้ามือมันก็ไหมอย่างนี้เราจะมาโทษเราได้หรือเปล่า ออถ้าเราไปสั่งสอนเขาว่าออไปเล่นกับไฟนะดีนะอย่างนี้อันนี้เราถึงจะผิดนะเพราะสอนให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ควรอยากทำแต่ถ้าเราห้ามเขาแล้วแต่เขาอยากฝืนทําเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ออไม่ผิดไม่เสียหายสําหรับเราคําถามจากคุณพัทรินกราบนมัสการค่ะถ้าทำอาชีพเป็นช่างสักลายสักคิว้วทำให้เขาเจ็บเลือดตกยางออกจะบาปไหมคะผิดศีลไหมคะ เขไม่บาปเราเขาสมัครใจเหมือนกับหมอที่เราไปรับการรักษาหมอก็ต้องผ่าตัดอะไรหมอถอนฟันอะไรเราไปด้วยความสมัครใจไปด้วยความยินดีไปแล้วมีความสุขเขาให้ความสุขกับเราการให้ความสุขแก่ผู้อันนี้มันไม่บาปนะ ก, การไม่ได้ทําร้ายเขา ความจริงมันก็เพียงแต่ทําให้เขาเจ็บแต่เจ็บเพื่อให้เขาหายจากอความเจ็บเช่นหมอต้องผ่าตัดเพื่อรักษาโรคนี้พอรักษาหายแล้วมันก็หายเจ็บไปนาน อ, อย่างนี้ไม่บาปนะคาถามจากคุณจินขอบที่นิพพานเรากับคนรักเราอยู่ด้วยกันโดยไม่พลากกันหรือไม่ครับอ๋อนิพพานก็คือจิตของแต่ละดวงที่ไม่ต้อง ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขจิตนี้มันมันไม่เคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วที่มาอยู่ด้วยกันก็คือร่างกายเท่านั้นเองพอร่างกายไม่มีจิตมันก็อยู่ที่ของมันของใครของมันถ้าต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันก็ไปนิพพานไม่ได้ต้องมามีร่างกายแต่พอมีร่างกายเดี๋ยวก็อยู่กันไม่ได้นานก็ต้องแยกกันอยู่ดีหมดแล้ว เเั้นเราอย่าไปดูความสุขที่ที่ร่างกายเพราะความสุขที่ร่างกายมันจะกลายเป็นความทุกข์ในบ้านปลายให้เราดูความสุขที่ใจถ้าดูความสุขที่ใจแล้วมันจะเป็นความสุขที่ถาวรเพราะความสุขที่ใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้เกิดความสุข ความสุขที่ใจเพียงแต่ทาใจให้สงบกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะมีความสุขสุขยิ่งกว่าได้อยู่กับคนที่เรารักความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความเป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นตค่ะคำถามจากคุณฟู การที่คนไปยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้เงินคืนทั้งที่รู้ตัวว่ายืมหรือเอาของเขาไปใช้เช่นนี้ถือว่าผิดศีลข้อสองอธินนาธานาไหมครับผิดทั้งสองผิดทั้งข้อสี่ด้วยนะโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ใช้เขาก็ถือลักทรัพย์ของเขาไปด้วยวิธีหลอกลวงผิดสองข้อ ถ้าไปขโมยของในบ้านเขานี่ผิดข้อเดียวเวลาเขาไม่อยู่ปีนขึ้นบ้านขโมยของไปขโมยเงินไปอันนี้ไม่ได้หลอกเขาไม่ขโมยที่อย่างเดียวนี่หลอกก่อนเสียเครดิตแล้วยังไปไปไปขโมยของเขาอีกจะคุณคณิ t ฐาจะพาพ่อแม่ไม่สบายผิดไหมคะ พาไปไอ๋อขอโทษค่ะมีคำถามมาก่อนนะนี้ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูกําลังจะมีคู่แต่หนูจะทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่จะพาพ่อแม่ไม่สบายจะจะพาพ่อแม่สบายผิดไหมคะไม่รู้คงจะทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจมั้แต่งงานกับคนที่พ่อแม่เขาไม่ไม่ยินดีหรือเปล่าจะพาพ่อแม่สบาย S <S เขียนมาใหม่สมข้อความมาใหม่ขาดตอนฟังแล้วไม่เข้าใจจะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายแต่จะทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจมั้งอย่างนั้นหรือเปล่า <S 2> <S 2> จะพาพ่อแม่สบายผิดไหมยังไม่มีเข้ามานะ คนี้ถามข้อสุดท้ายนี้ถ้าได้ยินลองส่งข้อความเข้ามาใหม่ด้วยมีคำถามจากคุณบุญชูค่ะคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือเราเห็นว่าบุญบาปมีจริงใช่ไหมครับมันมีหลายระดับนีดวงตาเห็นธรรมจริงๆต้องระดับพระอริยบุคคลเห็นตตยลักษเห็นอริยสัจสี่ อริยสัจ ส, สี่กับตายลักนี่มันไปด้วยกันนะมันไม่ได้แยกกันมันมันเป็นห่วงสองสองห่วงติดกันเพราะว่าในตายลักก็มีทุกข์ในอริยสัจสี่ก็มีทุกข์มันเวลาเห็นมันจะเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งตายลักเห็นทั้งอริยสัจ ส, สี่ถึงยี้ถือว่าเห็นธรรมได้ถึงจะปล่อยวางได้ถึงจะดับความทุกข์ได้คำถามจะคุณวิชัยเอ ไม่มบอกออกนามก็โทกไ<ะ>แล้วจากข้อเมื่อสักครู่ที่มีคนถามเรื่องยืมเงินเพื่อนแต่เรายังไม่คืนแต่เร า, เราบอกเพื่อนว่าเรามีจะคืนให้นะผิดไหมเจ้าคะก็ผิดตรงสัจจะมั่งเพราะว่าจะคืนแต่ยังไม่คืนนี่ก็ยังแสดงว่าไม่คืนอยู่แล้วเมื่อไหร่จะคืนก็ไม่บอกไงอย่างนี้ก็ก็พูดได้จะคืนแต่ไม่บอกจะคืนเมื่อไหร่มันต้องมีกําหนดเวลาสิ เออย่างนี้ก็ปล่อยให้มันไปไเรื่อยๆปล่อยจนทั้งวันตายก็ได้ฉันก็ยังจะคืนอยู่ใกล้จะตายแล้วบอกรอไปก่อนนะเดี๋ยวชาติหน้าฉันกลับมาคืนเธอเนอะอันนี้มันเรียกว่าสีถนนชัยไม่ยอมคืนเขาแต่ยังต้องมาเหล่าเขาให้เขามีความหวังอีกมีคําถามจากคุณเล็กค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเวลากโกรธใครอยู่<ร>ก็รู้แล้วละโกรธเขาแล้วแต่จิตใจยังขุนมัวอยู่ทำอะไรทอย่างไรให้แจ่มใสขึ้นครับก็เบื้องต้นก็อย่าไปคิดถึงเขาใช้พุทโธพุทโธลบมันออกไปจากใจเราพอคิดถึงเขายังขุนใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอเริ่มคิดถึงเขาความขุ่นใจก็หายไป วิธีที่สองก็คือว่าใช้ปัญญามันเกิดแล้วเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราเหมือนจานแตกแล้วจะไปทําให้มันมีเหมือนเก่าไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เลยตามเลยไปเรียว่าใช้นี่เก่าไปก็แล้วกันเนาะจะเคยไปทําให้เขาโกรธทีนี้เขาก็เลยต้องมาทําให้เราโกรธบ้างคําถามจากคุณมอมเจดี สอบถามพระคุณเจ้าเวลาไม่ได้นั่งสมาธิจะรู้สึกเหมือนไม่มีแรงแต่พอได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงดีเป็นเพราะอะไรทั้งทั้ที่การนั่งสมาธิจิตก็ไม่ได้สงบมากเท่าไหร่ อ, อ่อมันเป็นความรู้สึกของจิตเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายได้พักผ่อนได้นั่งเฉยเฉได้พักเหนื่อยพักแรงมันก็เลยมีกาลังเพิ่มขึ้นได้ แต่มันส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ความรู้สึกมากกว่าบางทีจิตใจเราห่อเหี่ยวมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่มีเรี่ยวมีแรงไปด้วยแต่พอเราทําจิตใจให้หายห่หอเหี่ยวมันก็รู้สึกว่ามีกําลังวังวังชาขึ้นมาคําถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ถ้าซื้อประกันไม่ให้มีความเห็นผิดทุกชาติภพและอยู่ในพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติอย่างไรครับ นี่หมายถึงประกันของศาสนาพุทธเลยถ้าซื้อประกันก็ทือสีห้าลก็จะประกันไม่ให้กลับมาเกิดในอบายแต่ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสุคติอยู่คำถามจากคุณโฮลลี่กราบเรียนถามเจ้าค่ะการจะวางเฉยต่อความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ต่อสิ่งต่างๆได้อย่างเด็ดขาดควรจะใช้ธรรมะข้อใดในการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจชจ้าคะก็ต้องนั่งสมาธิทําจิตให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตก็จะวางเฉยได้จริงๆแล้วพยายามให้มันวางเฉยหลังจากที่ออกจากสมาธิถ้ามันไม่เฉยก็ต้องฝึกสมาธิไปเรื่อยๆให้มันมีกําลังมากต่อไปเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะเฉยได้นาน แล้วถ้าอยากใช้มันเฉยต่อไปก็ใช้ปัญญามาช่วยบอกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ออทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงออไปรักไปชงังแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์ว่าเราไปควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้เราก็จะเฉยกับสิ่งต่างๆได้ต่อไป คำถามจากคุณฟูการที่จะทำผิดศินข้อสามการเมสุมิชชาคือไม่ใช่คู่ของตนและการที่มีสถานที่อาบอบนวดพวกนี้ถือว่าเป็นการทำผิดศินข้อสามใช่ไหมครับแต่ไม่ผิดกฎหมายใช่ความจริงจะต้องการเสพการนีนต้องเสพกับคู่ของตน ครูที่ถูกต้องตามประเพณีประเพณีที่สังคมเขาอยอมรับเช่นมีการแต่งงานกันมีการรับลูกกันทุกคนชื่นมืน่นชื่นชมยินดีกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าถูกประเพณีคำถามจะคุณสารางาม การเจริญสติคือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธทุกวันทุกวันจนกว่าจะมีสติอยู่กับคำบริกรรมแล้วจึงไปนั่งสมาธิใช่หรือไม่เจ้าคะใช่เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธินั่งไปมอนการนั่งไม่ได้จะรู้สึก อ, อื่นอาจจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่งได้เดี๋ยวเดียวก็เบื่อก็ต้องลุกไปอยู่ดี ถ้าท่านยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังมีน้อยยังไม่มีกำลังพอก็ฝึกสติไปก่อนมันฝึกสติบ่อยๆนานๆฝึกไปทั้งวันค่ะคำถามจากคุณไพฑูรย์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าบาดฐานครับ ท, ทานเป็นบารฐานของศีลศีลเป็นบารฐานของสมาธิหมายถึงอะไรครับ ออก็เป็นเหมือนขั้นบันไดทานเป็นขั้นที่หนึ่งการจะขึ้นสู่ขั้นที่สองก็ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนการจะไปรักษาศีห้าได้ต้องทำใจต้องเป็นใจทานทานใจต้องเป็นคนที่เสียสละได้ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มีความอยากได้อะไรมีใดอยากจะให้เมื่อมีความอยากให้มันง่ายที่จะรักษาศีลถ้าอยากได้แล้วมันรักษาศียาก ต้องเปลี่ยนจากการอยากได้มาเป็นอยากให้ในการทำทานเมื่อทำทานแล้วมันก็จะเป็นคนที่ใจบุญใจเมตตาไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรักษาสีห้าได้เมื่อรักษาสีห้าได้ก็รักษาสีแปดได้ง่ายขึ้นถ้ายังไม่มีสีห้าไปรักษาสีแปดนี้ก็ไม่ไหวเห็นต้องรักษาสี น, น้อยขึ้นไปก่อนจากศีห้าไปสู่สีแปด พอมีสินแปะก็จะมีเวลาว่างที่จะไปปฏิบัติภาวนาได้ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมได้มันเป็นเหมือนกับเป็นเรียนหนังสือในมหาลาัยนี่ก่อนที่เราจะเรียนวิชานี้เราบางทีต้องเรียนอีกวิชาหนึ่งก่อนถ้าเราไม่เรียนในวิชาหนึ่งเขาบอกว่าเรียนวิชานี้ไม่ได้เพราะจะไม่เข้าใจไม่มีพื้นฐานรองรับ อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะรักษาสีหน้าได้ใจต้องทำฐานให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาสีแปะได้ใจต้องรักษาสีหน้าให้ได้ก่อนก่อนที่จะม่มีเวลามานั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ก็ต้องศศรักษาสีแปดให้ได้ก่อนอแล้วก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนคือมันเป็นขั้นตอนที่สนับสนุนกันไปเป็นบาตเป็นฐานต่อกันละกัน คำถามจากคุณสถาพรกราบนมัสการครับปฏิบัติทำเองที่บ้านกลับไปอยู่กับครูบาอาจารย์แบบไหนจะดีกว่าครับมันก็แล้วแต่ว่าเราทำทำเองได้หรือเปล่าถ้าทําเองได้อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ก็ทําเองที่บ้านก็ได้แต่ถ้ายัางต้องพึ่งครูบาอาจารย์อยู่ก็ต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ให้ท่านคอยสั่งคอยสอนคอยเตือน มันก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติเองแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็ถ้าพระพุทธเจ้ามีครูบาอาจารย์ก็อาจจะบรรลุเร็วกว่าหกปีก็ได้แต่เมื่อไม่มีครูอาจารย์ก็เลยต้องไปลองผิดลองถูกเอาเองแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์พูดปับ๊บบอกปับ๊บอย่างพระอัญญาณโกนทัญญะพอมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์สอนปุ๊บก็บรรลุทำได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่า เราสามารถสอนตัวเราเองได้หรือเปล่าถ้าสอนตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาครูบาอาจารย์มาช่วยสอนหน่อยมีอีกค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนของการนั่งสมาธิเบื้องต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของการนั่งสมาธิด้วยเจ้าค่ะ ออง่ายมากการนั่งสมาธิก็ต้องมีสติงานมีสติก็คือให้เราเราเลึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งเชนัรนลบเราลกถึงพระพุทธเจ้าก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราเวลานั่งเราก็นั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธินั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปตั้งตัวให้ตรง พอนั่งแล้วนั่งกายนั่งอยู่ในท่าเรียบร้อยแล้วก็เริ่มหลับตาแล้วก็เริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอย่างอื่นให้อยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวพุทโธก็จะพาใจเข้าสู่ความสงบต่อไป กลับจะคุณปลายฝนค่ะกรามนมัสการเจ้าค่ะจิตไม่นิ่งชอบคิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยทำสมาธิได้สั้นๆ ค, ควรทำอย่างไรคะถึงจะอยู่ในสมาธิภาวนาได้นานๆค่ะต้องเพิ่มสติต้องฝึกสติบ่อยๆก่อนที่จะมานั่งนี่ต้องคอยคุมใจไม่ให้คิดไว้ก่อนพยายามหมั่นพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆพ อ, พอใจจะคิดอะไรที่ไม่ต้องคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมั น, น ถ้าต้องคิดเพราะมีงานการต้องคิดก็คิดไปแต่พอไม่มีเรื่องให้คิดก็ควรจะใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดไปเรื่อยๆคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมาสการครับ <c oughs> จิตมันเห็นทุกข์เป็นพักๆเวลารู้สึกมันทุกข์ก็อยากบวช ในตอนนี้เตรียมตัวจะบวชลาออกจากงานมาแล้วจิตมันพลิกกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากบวชเดี๋ยวอยากอยู่กับครอบครัวโดยที่ภรรยาก็อนุญาตให้บวชแล้วแบบนี้ควรคิดอย่างไรถึงจะทำให้ใจอยากบวชเหมือนเดิมครับก็ให้คิดถึงความทุกข์อยู่เรื่อยๆพอเราลืมความทุกข์มันก็อยากจะกลับมาใหม่ พรพอมันอยากจะกลับมาก็บอกกลับมาหาความทุกข์นะมาหาความแก่มาหาความเจ็บมาหาความตายมาหาการพัดพากจากกันนะต้องพยายามและลึกถึงธรรมอันนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจบ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นไปไม่ได้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะกลัวมันก็จะเห็นทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่เห็นทุกข์อยู่เรื่อยๆมันก็อยากจะหนีทุกข์อยากจะดับทุกข์มันก็จะไปบวชได้ คำถามจากคุณสุบินกราบนมัสการขอถามการที่โดนโกงทำใช้นี่มานานจนเหนื่อยฟังธรรมะของพระอาจารย์สบายใจอยากออกบวชใช้นี่ก็ยังไม่หมดจะเรียกว่าหนีนี่และมีวิธีไหนจะใช้นี่หลุดไม่ต้องมาเกิดมาใช้นี่อีกเจ้าคะ่ะมีทรัพย์สินอะไรก็ยกให้เข้าไปหรือให้เขาฟ้องนมละลายไปให้มันจบเรื่องจบราวไปก่อนอให้มันถูกต้องตามกฎหมาย แล้วค่อยแล้วค่อยไปบวชเมื่อเรายังมีหรือถ้าเราไม่อยากจะให้เขาฟ้องนุ่มละลายเราก็ต้องขยนทตางานหาเงินมาใช้หนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปบวชคำถามจะคุณชีวิตดีดีดิฉันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้เลี้ยงดูท่านแต่เวลาท่านเดือดร้อนพอช่วยได้ก็ช่วยค่ะดิฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่กระตันอยู่ต่อท่านเลยค่ะไม่หรอกถ้าเราช่วยท่านได้โดยวิธีที่มันเหมาะสมกับเราก็ถือว่าเราก็ยังกระตันอยู่อยู่เช่นเราอยู่ห่างกันอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะมาทำอาหารให้แม่กินให้พ่อแม่กินได้แต่เรามีงานจ้างคนมา คอยหาจัดหาให้พ่อให้แม่ก็เหมือนกันนะงั้นการที่จะช่วยเหลือไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดกันเสมอไปทานไปตามสภาพของเราคำถามจ้าคุณแสงอยากให้พระอาจารย์อธิบายใจที่เป็นมิจฉาทิฐิค่ะก็ใจที่มีความเห็นผิดเป็นชอบไง เห็นตรงตรงข้านกับความเป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลานี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเนี่ถ้าเรายังเห็นว่าอันนั่นจะอันี่อันนั่นอันนี่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วการที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วการที่จะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราไปเรื่อยๆก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันจะไม่ได้เป็นของเรานั่นเองเน้นการที่จะกําจัดมิจฉาทิฏฐิก็ต้องเห็นสัมมาทิฏฐิเคยเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงคือไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขังอัตตาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนามัสการครับพระอาจารย์ โสดาบันนี้ยังมีกรรมคุณห้าอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่อยากเหมือนปุตุชนแต่ไม่มีความอยากเหมือนปุตุชนทั่วไปใช่ไหมครับและก็จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตใช่ไหมครับใช่พระโสดาบันนี้ยังอยากในกา ร, รคุณห้าอยู่อยากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะโดยเฉพาะของคนนั้นคนนี้ยัง <c oughs> อยากจะมีแฟนยังอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ <c oughs> แต่จะรักษาศีนห้ายิ่งกว่าชีวิต พอมีดวงตายเห็นธรรมว่าทำบาปแล้วจะต้องไปอบา ย, ม, ย, ยามีอีกสามคำถา ม, มค่ะ<ม><ม>คำถามจากคุณมัมเจดีสอบถามพระอาจารย์ค่ะหากเราต้องดื่มยาสมุนไพรที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมจะผิดศีลห้าไหมเจ้าคะก็ะอยู่ที่ว่าเราถือศีลห้าแบบไหนถ้าถือศีลห้าแบบ แบบเต็มร้อยแบบสุดๆก็ถ้ามีแอลกอฮอล์ก็ถือว่าผิดศีลแต่มันผิดมากผิดน้อยกับดื่มหยดเดียวก็ดื่มขวดอย่างนี้มันผิดต่างกันเห็น <c oughs> ถ้าเราบางทีคิดว่าถ้าจำเป็นจะต้องรักษาร่างกายเราก็อาจจะต้องอผ่อนพันในความ ความคิดเรื่องของศิียว่ามันเป็นยามันเป็นส่วนประกอบของยาอันนี้มันก็จะทำให้ถือว่ามันไม่ผิดสิ่เดืมดแล้วไม่เมาเดืมแล้วทำให้รักษาให้ร่างกายหายโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบสุดๆก็อย่าไปเดื่มมันก็แล้วกันเปลี่ยนยาชนิดอื่นหา ย, ยาที่ไม่มีแอลโกอฮอล์ผสมเข้าไปคาถามจะคุณชีวิตดีๆ ด, ดิฉันนั่งดูลมหายใจได้วันละหนึ่งชั่วโมง แต่จิตมันชอบไปอดีตไปอนาคตแบบนี้เป็นสมาธิหรือยังเจ้าคะยังถ้ามันยังคิดอยู่ยังไม่เป็นสมาธิมันต้องไม่มีความคิดมันต้องว่างเย็นสบายมีความสุขเบา อ, อกเบาใจหมดแล้อยังมีอีกหนึ่งคำถาม <Okay. S 1> ค่ะจะคุณยอดเพชรเดินตามอิทธิบาทสี่สามารถสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมครับ ได้ถ้ามีที่บาสีนี้จะสําเร็จทุกทุกระดับได้แต่ระดับมันในในที่บาสีนี้มันมีหลายหลายระดับเหมือนกันนะระดับของโสดาบันระดับของผ้าละหัน์นี่มันต่างกันด่างกันที่มีมังษาความคิดค่ายควรทางปัญญานั่นเองก็ต้องเข้าใจว่ามันมีเหมือนกับรถเนี่ยมีหลายราคา รดราคาแสนก็มีนดราคาร้านก็มีนดราคาสิบล้านก็มีเ่มันก็เป็นรถเหมือนกันเป็นอิธิบาทเหมือนกันเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ